จเจริญปัญญาเนือสู้กิเลสได้จริงๆริงธรรมะระดับรักษาศีลก็ธรรมะเหมือนกันสู้กิเลสหยาบหยาบได้ไม่ฆ่ากันไม่ตีกันไม่ใส่ร้ายกันยสังคมก็ดูดีขึ้นแหละแต่ขั้นศีลก็ดีถมไปแล้วในยุคซึ่งคนไม่มีศีลบ้านเมืองไม่มีศีล น, น่ากลัวเหลือเกิน เราเหมือนไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีมองอนาคตไม่ออกคนไม่มีศีลสัอย่างเดียวนี่เราไปทำทุกคนให้มีศีลมไม่ได้ต้องอยู่กับคนไม่มีศีลนั่นแหละนะ<ร>เบียดเบียนกันทุกหัวละแหงศนะ<ร>ีลเป็นเครื่องสู้กิเลสชั้นหยาบที่สุดนะถ้าพลาดจากศีลมไม่ได้เป็นมนุษย์แนละ้ว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 ต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิฝึกจิตของเราสมาธิเป็นเครื่องสู้กิเลสระดับกลางชื่อว่านิวร น, นิวรณ์มี5ตัวนะแต่ทั้งห้าตัวนะั้นมันเป็นความฟุ้งซ่านของจิต ท, ทั้งนั้นเลยถ้าฟุ้งไปชอบใจในอารมณ์นะเรียกว่ากรมฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปเกลียดอารมณ์นะเรียกพยาปาทะพยาบาท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 วิชาเป็นนามธรรมอวิชาเป็นโมหะนะเป็นนามธรรมสังขารนะรูปธรรมหรือนามธรรมสังขารคืออะไรรู้ไหมตัวสังขารก็คือตัวกรรมการกระทำกรรมนั่นเองตัวเจตนานั่นอะ็ตัวนามธรรมวิญ ญ, ญาณนะ่ะรูปธรรมหรือนามธรรมวิญญาณเป็นนามธรรมทันทีที่วิญญาณหยางลงนะนามรูปจะเกิดขึ้น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 นามรูปล่ะเป็นรูปประธรรมหรื chief, รรหรอนามธรรมตอบให้ดีนะนามรูปเป็นรูปประธรรมหรือนมามธรรมใครว่าเป็นรูปประธรรมบ้างใครว่าเป็นนามธรรมบ้างใครว่าเป็นรูปประธรรมและนามธรรมชื่อมันก nah ็บอกแล้วคิดมากมชื่อนามรูปไมิดเป็นนามธรรมอันเดียวรูปประธรรมอันเดียวได้ไงอายตนะล่ะร huh ูปประธรรมหรือนามธรรมหือ อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปธรรมหรือนมามธรรมแล้วเราใจหายไปไหนอ่ะ <c oughs> ใจเป็นรูปธรรมเหร อ, อยมีทั้งรูปธรรมนามธรรมเห็นไผัสสะล่ะรูปธรรมหรือนมามธรรมมีผัสาทางตาด้วยนะ mm. รูปธรรมหรือนมานมธรรมนามธรรมล้วนๆผัสสะเวทนาล่ะ <c oughs> ตัณหาอุปาทาน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 พิจารณาอยู่กับเวทนาจะเห็นว่าร่างกายถูกเวทนาบีบขันอยู่ตลอดเวลาดีแม้ว่าบางทีจะเห็นว่ า, าไม่มีลูกมีแต่เวทนาเวทนาเขาก็เป็นเวทนาของเขาอย่างนั้นเป็นสภาวะธรรมนั่นแหละเราแยกรูปนามได้แล้วเก็เห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนานะไม่ใช่คนหรอกแต่เขาก็มีไม่ใช่ไม่มี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 ในภาวนาต่อไปนะเราจะเห็นว่าไม่มีหรอกไม่มีตัวมี ต, มตนอะไรที่วันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องสีนนะครับอยากขอากาศถามว่าเราภาวนาเราจะพิจารณายัางไงหรือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตอนนี้สินเราบริบูรณ์แล้ว ส, <บ>สีนบริบูรณ์ต้องอย่างต่าพระโสดาบันนะพโสาชนยังไม่บริบูรณ์ศีลกระพร่องกระเเ่งสิที่บริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ศีลห้า ฉันชื่ออริยะกันตศีลศีลนะอริยะกันตศีลมีข้อเดียวอไม่ได้มีหลายข้อหรอกต้องภาวนาไปสิแล้ค่อยได้อันนี้เ <c oughs> นี่ยศีลห้าข้อแปดข้ออะไรโอ้รักษายากรักษาเยอะเกินอันนั้นก็คือจิตที่เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงอํานอะ่ะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ไมีอยู่อันเดียวอะคือกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลห้า ก, ก็มีนะ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 มาปรุงตต่่อ อ, อจิตตอนนี้ถึงฐานไหมอออกข้างนอกออกข้างนอกนะรู้รทันดีเมื่อวานมีช่วงที่ดีตอนเดินที่ศาลาสองนะครับแต่ส่วน<ต>ใหญ่ตอนอไรนะตอนที่เดินจงกรมที่ศาลาออสองครับช่วงนั้มีดีอยู่ช่วงสั้นๆครับเรื่องเหม็นขี้ไก่ไม่รู้จะทําไงแถวนี้เขาปลูกมันเราเนึนว่าตรงนี้เป็นเขานะข้ามไปดูนะไล่มันทั้งนั้นเลยถ้าุ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 ทำในรูปแบบกับทำในชีวิตประจวันอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ครบแล้วควรจะทำอะไรต่อั้มครับคือไม่ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรอย่างที่หลวงพ่อว่าครับแต่ว่าสำรวจแต่ศีลของเราดีไหมนะศีลของเราดีแล้วก็ดีนะทุกวันก็ฝึกในรูปแบบให้จิตมีความสงบบ้างจิตมีพลังตั้งมั่นบ้างนะวันไหนฟุ้งมากก็ทำความสงบไปวันไหนสงบแล้วก็ฝึกรู้ทันสภาวะไป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 ครับนะไปต่ำมาครับขอบคุณครับอยู่ข้างหลังโน้เนเ่ยสุดท้ายห้องเลยคนแก่อย่างนี้แหละคนแก่ตาไกลกข้างหน้ายกไม่ค่อยเห็นอ่ะ ค, คนแก่ตา ฟ, าฟ้าฟางนะแต่มองไกลนะเด็กๆมองอยู่ตรงเนี้ยเฉพาะหน้าอกหักนิดเดียวก็จะตายแล้วคนแกน่น้าจะท่วมโลกยังไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะ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 การบ้าน ร, รอบรหนึ่งปีครับครับก็เห็นกิเลสบ้างครับเวลาเห็นอะไรที่มันมากระทบมันกระทบที่ใจเลยครับมไม่กระทบตาเลยเหรอกระทบท<อ>ีเดียวเข้าถึงใจเลยเนอะ ม, นมันกระทบที่หน้าอกเลยครับอ๋อครับแล้วก็มันก็ไปรู้ลมหายใจเป็นระดับแรกครับได้ได้ครับก็รู้สึกตัวบ้างครับแต่ไม่รู้ว่าสังเกียนได้ว่ากิเลสมันก็โผล่ที่หน้าอกมาเนาะ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 คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์นี่เมื่อไม่นานหลวงพ่อไปเทศที่วัดบูรณวัดบูรพารามนะเทศเรื่องการดูจิตบอกบางคนน่ะเรียนหรืออ่านคําสอนหลวงปู่ดูลแลอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างบางคนน่ะหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าประคองจิตให้นิ่งเลยนะ